BOOK 36 2 36าสหกการขนส่งมวลชนบุฟฟี่ไกทรานสปอร์ตอยป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนคะคยรถเมล์คันไหนไปกลางเมืองคะ ท, ท, ที่ยูบซเบูรสอัลล่าอูร์บอตเซ็นรฉันต้องไปสายไหนคะที่ยุนลิน น, นี่ออนมิแพรนดฉันต้องต่อรถไหมคะชุ ม, มิเดรา a ์ชันจีดฉันต้องต่อรถที่ไหนคะที่แยมิเดร a ส์ชันจีตั๋วรถราคาเท่าไหร่คะ คี่ยคมคสตาสบิเลโตกี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะขี่ยมดาฮัลเต้ยอยเอสตัสจิสลาอูร์โบตเซนโตรคุณต้องลงรถที่นี่ค่ะคุณต้องลงข้างหลังค่ะคุณต้องลงข้างหลังค่ะ อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะ metro, Venus post อีกสิบนาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาค่ะ La sequanta tramo อีกสิบห้านาทีรถเมคันต่อไปจะมาค่ะ Venus post the รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะรถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะรถเมย์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไรคะค คุณมีตั๋วรถไหมคะชูวิฮาวัสบิเลตตนตั๋วรถหรือไม่มีดิฉันไม่มีตั๋วรถค่ะบิเลตตนเน่มิฮาวาสเนนิยุนงั้นคุณต้องเสียค่าปรับค่ะโดวิดวัสปากิมอนทูนัน